ปีมามีเอนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้มักการะพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับปรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิบุญโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งเครีดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นช่วงของการสากกรชั้นประจําวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะกราบน้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการนําคําถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าคะของคุณสมจริงขวัญทองอซึ่งเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นแฟนประจํารายการ ที่จากจังหวัดตรังนะเจ้าคะที่ได้เดินทางด้านด้นจากจังหวัดตรังทางใต้สุดนี้ขึ้นไปกราบนมสักการพระอาจารย์ถึงอุดรธานีที่วัดเลยนะเจ้าคะอย่างที่เมื่อเมื่อวานพระอาจารย์ผูดให้ฟังใช่เจ้าค่ะก็มีคําถามต่อซึ่งจะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าคะก็เมื่อวานพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเจริญฉันทะนะเจ้าคะแต่โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ว่า สรุปอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญฉันทะเพื่อลดฉันทะเจ้าค่ะสักิดหนเจ้าค่ะจริตรงนี้เป็นคําพูดของท่านพระอานุ่นที่บอกว่าเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะเนี่ยนี่ท่านพระอนุนอธิบายเอาไว้แต่โดยอธิบายของท่านพระอนุนคือท่านอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วจะมาสบายมากแต่ไม่ต้องคิดใหม่เพราะท่านอธิบายไว้แล้วแตท่านอธิบายถึงเรื่องของการปฏิบัติตามมรรคแนั่นเองหลังการปฏิบัติตามมรรคแดนี่แหละจะเป็นการเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจให้ถูกเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยคําว่าอยากของเราเนี่ยมันกินความหมายกว้างมากาอยากในเรื่องที่ไม่ดีเราก็ใช้คําว่าอยากอยากในเรื่องที่ดีเราก็ใช้คําว่าอยากแต่มันก็เลยสับสนกับคําว่าตัณหานีทีนี้ฉันชะนี่แปลเป็นภาษาชาวบ้านเราว่าอะไรนะเจ้าค่ะพอใจความพอใจความพอใจชใช่ซึ่งความพอใจนี้หรือฉันท้าเนี่ยมันไปติดกับเรื่องที่ดีก็ได้มันไปติดกับเรื่องที่ไม่ดีก็ได้ และซึ่งพระพริชา<ข> <taraf> จะใช้ทั้งสองนัยยะนะถ้าเราดูตามศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีเนี่ยนะสัญญานี้จะใช้กับเรื่องดีก็ได้ใช้กับเรื่องไม่ดีก็ได้แต่คําว่าตัณหาแล้วก็อุ ป, ปาทานพวกนี้ยจะใช้กับเรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นเรื่องที่ไม่ดีคืออะไรคือเรื่องที่เป็นอกุศลคือถ้าเรามีตัณหานี่นก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอกุศลเท่านั้นซึ่งอาจจะทําให้จิตเรามีความกําหนัดลุ่มหลง เปลิดเพลิไปในสิ่งที่น่าพอใจาานะมีความขยักขย้งเกลียดชังมีพยาบาทในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะสิ่งที่เป็นภาษาธรรมดาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นว่ามันจริงไม่จริงเที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรอันนี้คือาาลักษากของตัณหาแล้วก็อุ ป, ปาทานทีนี้สับที่อธิบายในที่นี้คือฉันทะเพื่อลัชฉันทะเนี่ยคือเราต้องมีฉันทะคือความพอใจในอะไรในการปฏิบัติตามมรรคแปในการปฏิบัติตามมรรคแปแล้วมันจะลัฉันทาแบบไหนได้ มันก็จะละความพอใจในการที่เราจะไปพอใจในเรื่องที่เป็นอกุศลสมมติเราจะพอใจในเรื่องที่จะคุยเล่นตลกโปกฮ่าปล่อยมุกบ้าๆบอๆพูดแบบไร้สาระเพื่อจะหวังหัวล้อให้เห็นฟันกันเล่นอย่างเงี้ยเราจะละความพอใจตรงนั้นได้เราจะละความพอใจตรงนั้นได้ อ, มะะม อ, ดอ่มันเกี่ยวข้องยังไงเนะี่ยเพราะว่าจิตเราละเอียดลงเนะี่ยเราก็จะพอใจในสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันดีๆมากขึ้น เราก็จะลักความพอใจในสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันหยาบหยาเป็นเรื่องที่มันเป็นอกุศลเราจะรักความพอใจตรงนั้นได้เพราะความที่จิตของเรานั้นมีความละเอียดลงไปเจ <นะ S 2> ้าค่ะเนี่ยพอมีความละเอียดลงไปความพอใจในเรื่องที่เป็นกุศลก็จะมีมากขึ้นความพอใจในเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องที่หยาบๆยหรือว่าเป็นกุศลที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็จะละออกไปได้อืมเจ้าค่ะหรือแม้แต่เรื่องสมาธิที่ละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยนะว่าเอ่อถ้าบางทีเรา เราถ้าเราไม่เห็นโทษของชา้นหอย่างเงี้ยเราเราจะไม่สามารถละชา้นหเข้าชา้นสได้ น, น, นี่ก็เป็ น, <indeed. S 1> ปนความละเอียดลงไปอีก น, นที่ว่าเอ๊เราจะพอใจในชา้นสเราจะไม่พอใจในชา้นหแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่พอใจในชา 1, ้นหนึ่ยักขยั่งเกลียดชังเขาเราก็ปูดไม่ได้หรอกเพราะว่าแม้แต่ชาน1เ อ, เองก็ดีอยู่แล้วเข้าใจ ไ, ไหมเออถ้าจะเปรเียบเทียบกับเรื่องของกามอ๋อแต่ว่ากามนี่มันไม่ดีเป็นหกกุศลเราไม่เอาดีกว่าแต่ nous, เราก็มาเอาชา้นหแต่เอาชาั1ไปแล้วไดด้ีแล้ว ะจิตทําให้มันละเอียดลงมากขึ้นเราจะเห็นทุ่ของชันหนึ่งโอ้ยชั้นหนึ่งชั้นก็ไม่เอาหรอกแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีแต่เพราะชันสองดีกว่าเราไปยินดีพอใจในชั้นสองนั้นชั้นหนึ่งความพอใจในชั้นหนึ่งคือฉันได้ตรงนี้เราก็ละได้โอ้แต่แม้ชั้นสองเองก็มีข้อเสียเหมือนกันน่ามันมีอาพาธของมันลจิตใจเราก็จะน้อไปในในชั้นสามชั้นสามซึ่งเราก็จะลัความพอใจในชั้นสองได้อย่างเงี้ยมันก็จะ มีฉันท่าเพื่อละฉันท่ามีฉันทาเพื่อละฉันท่าไปเรื่อยๆตรงนี้<ช>เราจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นเส้นทางไป ค, คือจิตใจของเราเนะี่ยมีการเดินทางไปในะการเดินทางตรงนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นทางเป็นมรคนะซึ่งทางที่เราเ<ช>ดินไปเป็นมรคเนี่ยก็จึงเป็นอริยมรคมีองค์8เป็นเส้นทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการแน่นอนเช่นคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิการทำตรงนี้ก็เป็นสัมมาวายามะการที่คุณทาอย่างนี้ได้แสดงว่าคุณต้องมีการรูกชอบกับเป็นสัมมาสติ นั่นใจใจที่มันไม่ได้มีเรื่องการพยาบัติบริเวณก่อเป็นสัมมาสมาธิอย่างเงี้ยเจแต่แล้วความคิดใ น, นนั้นก็จะต้องเป็นไปความคิดในทางที่เป็นสัมมาสังกปะด้วยแต่เส้นทางที่เราไปตรงละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยมันก็จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาด้วยเป็นทางสายกลางเพราะมันไปได้มันไม่ตันมันไปได้เรื่อยๆบางคนที่ว่าได้สมาธิขั้นนี้ตันอยู่ที่สมาธิขั้นนี้อ่าแสดงว่าคุณยึดติดในสมาธิแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือว่าเราอาจจะไม่มีสัมมา สติเราเลิกไม่ได้อะว่าจิตใจเราต้องตั้งอยู่ในความกุศลบางทีเรามีความกำหนัดแม้ในสมาธินั้นแต่<ช>ว่ามันลืมสติไปแล้วนะสมาสติไม่มีมันก็จะตันตรงนั้นนะ<ช>ซึ่ง<ช>ซึ่งแน<ช>่นอนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติขึ้นเนี่ยนะคุณนใจนะค<ช>ือสี อ, อ, อะไรต่างๆที่เขาได้สมาธิขั้นลึกซึ้งเนี่ยเขาก็มีนะเขาทําสมาธิได้ถึงขั้นสนะี่คือฌานสี่นี่แหละหรือว่าเลยขึ้นไปจนถึงขั้น8ปนดะเป็นรูปสัญญาเดี๋ยวไปก็มี นะเขาก็ทําได้กันแต่มันตันมันตันเพราะว่าทางที่เขาไปตันตรงนั้นเนื่องจากเขาไปยินดีพอใจนะมีความกําหนัดตรงนั้นนะกาหนัดในความสุขแม่ที่เกิดจากสมาธินี่แหละนะจึงเป็นสภาวะขึ้นมาเป็นพบขึ้นมาให้เขาไปกลียดกลั่วตรงนั้นอืนะนี่คือเป็นลักษณะของของคือบอกว่าเราต้องเจริญฉันทาเพื่อที่จะละฉันทาเจริญฉันทาในที่นี้ก็คือตามมรรคแปดนะพอเรามีมรรคแปดปุ๊บมันจะไปได้มันจะไม่ตัน การที่ไปได้ไม่ตันคือมัชชิมาปฏิปทาเจ้าค่ะจ้าเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามข้อต่อไปของอคุณสมจริงนะเจ้าคะ่ะถามว่าการวางอุเบกขาเจ้าค่ะอ่าเกี่ยวกับเรื่องการวางอุเบกขานี่จะทําอย่างไรเจ้าค่ อ, อ, อตรงนี้คิดว่ามันมันจะเกี่ยวข้องกับคําถามต่อไปของคุณสมจริงด้วยว่าเอข้อต่อไปที่ถามถึงว่าไม่ยึดแม้กระทั่งสมาธิ เจ้าค่ะแล้วก็นี้เจ้าค่ะสองสามเลยนะคะใช่ใช่สองตามว่าการวางอุเบกขาแล้วก็สามการไม่ยึดแม้กระทั่งสมาธิเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะมีความอธิบายในเรื่องเหล่านี้อย่างไรและข้อที่สามก็คือการไม่ยึดแม้กระทั่งสมาธิเนี่ยมีอุบายในการปล่อยวางอย่างไรเจ้าค่ะใช่ใช่อซึ่งการมางอุเบกขานี่ยมาไม่แน่ใจว่าวางอย่างอื่นแล้วได้อุเบกขาหรือพอได้อุเบกขาแล้วจะปล่อยวางอุเบกขาด้วย อย่างนั้นก็ตามก็จะจะบอกทั้งสองวิธีเมื่อสักุลที่อธิบายถึงว่าเวลาที่เราได้สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเอาก่อนที่จะไปถึงว่าได้สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเอาทําความเข้าใจกับศัพท์นิดนึงก่อนนะคำอุเบกขาเนี่ยหมายความว่าการบางเฉยการบางเฉยหมายถึงอะไรหมายถึงมีอะไรมากระทบใจของเราไม่ว่าจะผ่านมาทางตานะเป็นรูปผ่านมาทางตามากระทบใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ผ่านมาทางหูมากระทบใจของเราพอมากระทบใจของเราแล้วเราวางเฉยได้ความวางเฉยที่เกิดขึ้นนี้จึงเกิดเป็นอุเบกขาขึ้นเกิดเป็นอุเบกขาขึ้นเข้าใจนะค่ามอุเบกขาคือวางวางเฉยสมมุติมีข่าวเขาออกทีวีมาอย่างใดอย่างหนึ่งเอามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เ, เป็นเสียงเป็นภาพผ่านมาทางหูผ่านมาทางตามากระทบใจของเราจิตใจขงเราวางเฉยได้ในเรื่องที่มากระทบนั้น แสดว่คุณมีอุเบกขาอยู่ในใจอาจจะพูดก็ได้นะอาจจะไม่พูดก็ได้นะอาจจะแบบมีวาจาตอบโต้ไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแต่ถ้าใจเรามีความวางเฉยวางใจบางทีมันอาจจะระ ง, งับลงากายอาจจะระ ง, งับลงอันนี้เกิดขึ้นได้ทีนี้การวางเฉยที่เกิดขึ้นนี้ในะสาบที่พระพุทธเจ้าใช้คืออุเบกขาเอาแล้วคนจะทําอุเบกขาได้ไงแสดงว่าใจของเขาเนี่ยจะไม่ได้ไปสนใจอยู่กับเสียงที่ผ่านมาทางหูไม่ได้ไปสนใจอยู่กับรูปที่ผ่านมาทางตา นาใจของเขาเนี่ยจะต้องมาจดจ่ออยู่ในจิตที่แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวนั้นจิตที่มีการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่วแน่เป็นอารมณ์เดี ย, ย ว, วอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิคุณตัวใจเขานะ้เขาใจนะต้องไปนะามานะอธิบายอีกครั้งนะึงนะจิตที่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวนี้เรียกว่าสมาธิแต่เวลาที่จิตของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวแล้วเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้เป็นอย่างดีเวลามีเสียงมกระผ่านางหู หรือว่ามีรสอาหารมากระทบผ่านทางลิ้นนะจิตเราจะวางเฉยได้เดเพราะฉะนั้น อ, อุเบกขาเนี่ยก็จึงเป็นสมาธิแบบหนึ่งพูดกันง่ายๆเป็นสมาธิแบบหนึ่งที่มันลึกลงไปเป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีอุเบกขามีไม้ก็มีสมาธิชนิดที่มีอุเบกขามีไม้ก็มีเดีเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ทําให้จิตงเราเข้าสู่อุเบกขาได้นะประเด็นคือตรงนี้ควรตื่นใจว่า เ, าเวลาที่เราได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาแล้ว แต่แล้วถ้าบ ว, ว่าเรายึดในอุเบกานั้นนะการยึดในอุเบกขาเป็นยังไงก่อนเอาดูแม้แต่การยึดในสมาธิทั่วๆไปสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะเป็นความสุขในใจที่เกิดขึ้นซึ่งความสุขในใจที่เกิดขึ้นสําหรับบางคนเนี่ยคุณดันใจบางทีแบบทั้งชีวิตมาไม่เคยเห็นความสุขใน ใ, นใจนี้เลยนะเขาไปนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมสักที่ใดที่หนึ่งปรากฏว่าโอ้โหได้ความสุขเกิดจากในภายในเหมือนเกิดใหม่ เหมือนกันไหมสงบตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละเป็นเป็นข้อที่เรียกว่ายังไงล่ะมันเป็นภพของเขาได้นะมันเป็นสิ่งที่จะเป็นสภาวะหนึ่งที่ทําให้เขาเข้าไปยึดตรงนี้ได้ถ้าเขาเข้าไปมีความยินดีมีความยินดีนะมีความยินดีในสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นมีความยินดีในสุขที่เกิดขึ้นจากอุเบกขานั้นหรือมีความยินดีในตัวอุเบกขาที่เกิดขึ้นนั้นความยินดีนั้นนี่ยความยินดีนั้นเนี่ยจะทําให้เขาเป็นทุกข์ ความยินดีแล<ม>้ว น, น, นะแสดงว่าจิตของเขาเนี่ยมีความเกลือกลั้วแล้วมีความเข้าไปตั้งเฉพาะอยู่ในนั้นแล้วถูกครอบ <Okay. S 1> งําด้วยสิ่งนั้นแล้วถูกครอบงําด้วยสมาธิแล้วเพราะฉะนั้น<ม>อย่าง<ม>พวกอุรัสี <Okay. S 1> ที่เขาแบบเคยปฏิบัติได้นะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นการทําสมาธิของเขาตันทํำไมตันเพราะว่าเขาถูกครอบงําด้วยสมาธินั้นทําไมเพราะเขาเข้าไปยินดีในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเข้าไปยินดีแม้ในใอุเบกานั้น อันนี้ก็แสดงว่าติดแล้วพอยินดีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพอมีความยินดีเนี่ยไอความยินดีที่เกิดขึ้นนี่แหละตรงนั้นเนี่ยจึงมีความยึดพอมีความยึดคืออุปทานสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเหมือนพบขึ้นมาทันทีพอสิ่งนั้นเป็นเหมือนพบขึ้นมาทันทีก็จะมีการก้าวลงไปในสิ่งนั้นเป็นการเกิดแตนะเป็นการเกิดการแก่การตายความโศก ค, ความร่ํารรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความครับแกนใจก็ตามมาเป็นพรวนเพราะเราเข้าไปยึด แมันยึดตอนไหนก็ตอนที่คุณพอใจมีความยินดีในสมาธินั้นนั่นแหละมีความยินดีในสมาธินั้นแต่ว่าตรงนั้นเลยเรามันตันแล้วมันตันแล้วทําไมตันเพราะคุณขาดสติแล้วไม่มีสมาสติตรงนั้นเจ้าค่ะไม่มีสมาสติมันก็ระลึกไม่ได้สิว่าเราไม่ควรจะยินดีในสิ่งที่น่า ย, ยินดีนี้เจ้าค่ะอ่าแต่ปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพื่อที่จะจิตละเอียดสูงขึ้นไปอีกทำยังไง ก็ต้องพพมีสติต้องมีสตินั่ต้องมีสติ <obsc Relax. S 1> ตรงนี้สติก็เป็นคําตอบหนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นในคำคำถามของคุณสมจริงที่พูดถึงว่าเอ๊เราจะปล่อยมันตรงนี้ยังไงเราต้องมีสติก่อนสติในการที่จะระลึกได้ว่าเราจะไม่ให้ความเคลิบเคลิมเพลิดเพลินแม้ในสมาธินั้นเกิดขึ้นเอาคุณจะทําอย่างนั้นได้ไงคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นความไม่เที่ยงของแม่อุเบกานัน้นเห็นความไม่เที่ยงของแมสมาธินั้น คือการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทำนะคุณเดินใจกัใชหม <Okay. S 1> แม้สมาธิหรืออุเบกขาเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ทําให้บันมากๆๆทาให้บ่อยๆทําให้เจริญทําให้ยิ่งการทําบ่อยๆให้เจริญให้ยิ่งเนี่ยบางคนเข้าใจไปว่ามันมันไม่ใช่มันจะเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มันไม่ใช่ไงคือเรา <Okay. S 1> ยิ่งทําบ่อยๆยิ่งทาให้มากยิ่งทําให้ยิ่งแล้วเราจะเห็นความไม่เที่ยงของอุเบกขาได้เห็นความไม่เที่ยงของสมาธิได้ เพราเราต้องทําันไปกมันมันมันจะไม่ได้ว่าเกิดความสุขสงบแบบนั้นทุกครั้งที่เราทําไปที่คือความว่าไม่เที่ยงอย่างที่พระอาจารย์พูดถูกต้องถูกต้องอเราเราเห็นความที่มันไม่เที่ยงหรือแม้แต่ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเราก็เห็นความไม่เที่ยงของมันได้เพราะว่าถ้ามันเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นเอ้ามันไม่เที่ยงนี่มันมันทําไมมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่ซึ่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งอะไรที่มันมีเหตุมันมีปรุงแต่งมาจากสิ่งอื่นแน่นอนมันต้องดับไปได้แน่นอน ถึงแม้ขนาที่มันเกิดอยู่นั้นก็ตามเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงได้พอเราเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาอยู่ด้วยปัญญาอันชัดเจนอย่างนี้แล้วแั่เราจะคลายความพอใจคลายความยินดีในสิ่งนั้นได้เพราะเราคลายความพอใจความยินดีในสิ่งนั้นเวลาที่มีอุเบกขาเกิดขึ้นมาอนนั้นแหคุณมีสติแล้วมีสมาสติแล้วคุณไปต่อได้มันไม่ตันนี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสาธุเจค่ะ พระอาจารย์พระมหาไัยบุตรณพิปุโนโดได้จากกระฉาหรือว่าชี้แจงมานี่ยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เข้าใจผิดหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจกระจ่างขึ้นแล้วนะเจ้าค่ะเป็นบุญอย่างยิ่งเลยที่ได้ฟังอย่างนี้ก็จะได้ทราบว่าบางทีเราไปทําสมาธินั้นเนี่ยอยู่ในขั้นที่ว่าสงบมีความสุขนั้นเนี่ยก็อย่าไปติดตรงนั้นใช่ต้องไม่มีเขาเรียกว่ามีกิเลสใช่ไหมเจ้าคา่ะที่จะไปยึดติด พราพุทธเจ้าใช้คาว่าความยินดีในในความสุขนั้นจ้าซึ่งมันมันดีไหมดีดีดีๆแต่เราจะบอกว่ามันไม่ดีไม่ได้หรอกแต่ความยินดีในสิ่งนั้นมันไม่ดีเจ้าค่ะ้เขาใจไม่ควรจะยินดีในสิ่งที่เป็นดีๆนั้นด้วยซ้ําเจ้าค่ะเพราะว่าต้องมีสติเจ้าค่ะนะคือคําว่าไม่ยินดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทํานะอันนี้ต้องทําความเข้าใจให้ถูกมันต้องกิดมันคนละอย่างกันเจ้าค่ะยินดีในการกระทาให้ยินดีเลยยิ่งทํายิ่งดี ให้ยินดีในการกระทาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปยินดีสิ่งนั้นแม้นี่แหละคือการเจริญฉันทาเพื่อละฉันทาอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำของท่านพระอนุอนเท่านั้น สาธุเจ้าค่ะแต่ยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังแล้วก็มีสตินะเจ้าค่ะมีสมาธิในการรับฟังพระอาจารย์เนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์หมายถึงอะไรนะเจ้าคะโอเคก็มาถึงข้อถัดไปของคุณสมจริงจากจังหวัดตรังเลยนะเจ้าค่ะบี่ได้เป็นผู้ที่บักบั่นไปหาพระอาจารย์ถึงจังหวัดอุดรธานีเนี้ยนะเจ้าค่ะถามบอกว่ากิเลตกับตัณหาเนี่ยมีแง่มุมที่แตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ อตัณหามีลักษณะเป็นอย่างเหนียวมีลักษณะเป็นอย่างเหนียวซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาวค่ะแต่กิเลสจะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวได้อเวลาอย่างสมมติเวลาที่เราอยู่ในสมาธิเวลาคุณอยู่ในสมาธิมีอุเบกขาเนี่ยกิเลสไม่มีหนึ่งกิเลสเป็นศูนย์แต่ตัณหามีไหมมีมีมตรงไหนเจ้าค่ะหลายคนต้องอยากให้ยมซักพระอาจารย์แบบนี้เจ้าค่ ะ, ะเพราะว่ามันมีตรงที่ว่าถ้าเรายินดีพอใจในในสมาธินั้นนตัณหาเกิดขึ้นทันที มีตัณหาความพอใจเนี่ยความกำหนัดนี่แหละความยินดีนี่แหละมันมันใช้ศัพท์ที่มันคล้ายๆกันแต่ตัณหาเนี่ยหมายถึงความทยานอยากนะคือความ mm hmm. อยากในการที่จะกระทําตรงนั้นอแม้แต่ว่าเราเดินตามมรรคแอยู่เรา <Okay. S 1> เดินตามมรรคแดอยู่คุณมีตัณหาไหมมีนะมีอืมีนะ mm hmm. นะตัณหามีแต่ว่ากิเลสบางทีอาจจะไม่มี <Okay. S 1> ตัณหาและกิเลสก็มีเหตุเกิดเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าตราาัสเอาไว้อราษาเนี่ยเป็นปฏิปทาให้เกิดตัณหา ตลาดว่าอย่างนี้ภาษานี่ก็เป็นเหตุเป็นแดนเกิดของกิเลสเหมือนกั น, นเกิดจากภาษสะเหมือนกั น, นเวลาจะดับกิเลสจะดับตัณหาก็ดับที่ภาษานี่แหละดับที่จุดเดียวกันเวิธีการจะดับกิเลสวิธีการจะดับตัณหานามันก็ดับด้วยมรรคแปดเหมือนกันได้อืมาการปฏิบัติตามมรรคแปดอย่างที่อธิบายเมื่อตะ ก, กี้นี้นะว่าถ้าเรามีสติตั้งขึ้นปุ๊บเนี่ยเรามีสติตั้งขึ้นปุ๊บเราจะมีความที่คลายความยินดีในธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นได้ ในขณะ <Okay. S 1> เดียวกันเราก็ต้องมีความยินดีในการกระทำตามมาก8ปนดะเรามีความยินดีในการกระทำตามมาก8มีทําใดๆเกิดขึ้นแล้วเรามีสติตั้งไว้เราจะคลายความยินดีในธรรมนั้นๆได้กิเลสก็จะละได้ตรงนั้นในะกิเลสนี้มันละได้ตั้งแต่ตอนที่เราเข้าสมาธิแล้วไหนะตัณหาไหนมันก็จะค่อยลอกออกหลุดออกไปได้ไหนะตัณหาเนี่ยมันมีรากคืออวิชาด้วยไหนะมีตัณหาเคลือบใบเป็นลักษณะเหมือนกับ เป็นยางเหนียวเคลือบที่ผิวของจิตารากที่มันยังลงลึกลงไปนั้นเป็นอวิชาเวลาจิตที่มีตัณหามีอวิชาอยู่มีภาษาอะไรมากระทบแล้วมันจะโตมาเป็นต้นโตมันเป็นผลเป็นกิเลสไดนะ้ซึ่งกิเลสที่<ช>ออกมานั้นมันก็จะทําร้ายตัวจิตนะเหมือนสนิมที่เกิดขึ้นที่เหล็กนะเป็นออกไซด์ของเหล็กเนี่ยนะมันก็จะ <Okay. S 1> ทําลายตัวเหล็กกัดกร่อนผิวของเหล็กออกไปไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นผลของตัณหาอวิชาททีที่ลึกซึ้งอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะพูดถึงแง่มูลที่ต่างกันของกิเลสและตัณหานะก็พระพุทธเจ้ายกอุปมาอุปไมไว้นาว่าตัณหาเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนยางเหนียวเครือบอยู่ร่าของมันนะคืออวิชาแในเวลามีอะไรมากระทบแล้วนะเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนให้เราร้อนนั่นก็คือกิเลสในด้านของโทสะแตถ้าเวลามีอะไรมากระทบจิต ท, ที่ยังมีตัณหามีอวิชานะมันทําให้เราหิวอาการหิวที่เกิดขึ้นนั้นคือกิเลสที่เป็นราคะ มันทําให้เราอยากให้เราต้องไปหาแสวงหาขวนขวายมาอันนี้เป็นเป็นราคานะซึ่งราคากับชันท้าเนี่ยมันก็ต่างกันนะคุณใหญเจ้าค่ะอ่าที่เราพูดเมกี้ว่าเจริญชันท้าเพื่อละชันท้าเนี่ยกับราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าาาเจ้ะมันต่างกันตรงความเร่าร้อนนะราคาเนี่ยมันจะเร่าร้อนรุ่มร้อนมันจะหิวมันจะหอยถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณตใหอาจจะหิวน้ํามากๆเลยเนี่ย แล้จังหวะ <จ tampoco. S 1> ที่ฉันต้องไปกินน้ําเลยเนี่ยนะอันนั้นนหละ indung, คือคือแบบลักษณะของราคะหรือหิวข้าวมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ซ้อ i เต็มที่เลยเนี่ยอันนี้คือลักษณะแบบจิตที่มีราคะแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนหิวข้าวมากๆนี่มีราคะนะอันนี้คือเ <จ kar. S 2> ป็นยกตัวอย่างให้ฟังเฉยืฉครับ <จ CAR, S 2> แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรากระหายน้ําอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกระหายน้ํามากแต่ก็กินน้ําเนี่ยหรือว่าร่างก า, ายฉันตรงนี้ต้องขนาดน้ํามันขนาดน้ําแล้ ว, ม, นนนลวมันดีไฮเดรตแล้วเอาก็ดื่มน้ําลงไป ่มีความพอใจในการกระทําตรงนี้อันนี้คือลักษณะของฉันท่ามันเหมือนกับดีกรีของความเร่าร้อนรุ่มร้อนความรุนแรงเนี่ยมันจะต่างกันน่ะถ้าดีกรีที่มันรุนแรงมากก็จะเป็นลักษณะของกิเลสซึ่งตรงนี้มันจะวัดกันที่ไหนมันก็วัดกันตรงที่ว่าจิตนั้นไม่มีสมาธิแน่ะคือกิเลสกับสมาธิเป็นของที่เข้ากันไม่ได้เลยถ้ามีสมาถ้ามีกิเลสอยู่นสมาธิไม่เกิด แต่คุณพอใจในการกระทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้มีได้ไหมมีได้แต่ต้องระวังความพอใจแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปยินดีในผลของความสุขที่เกิดขึ้นเนั่ความยินดีนั้นไม่ดีแต่ว่าขาดสติมันตันมันจะตันอยู่ที่สมาธิตรงนั้นการพิจารณาก็เหมือนกันไม่ต่างกันตรงนี้อืมเจ้าค่ะ ก็ฟังพระอาจารย์ชี้แจงมาอย่างนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะกระเจางขึ้นเยอะเลยนะเจ้าค่ะแต่นี้โยมอยากจะขออนุญาตที่จะเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจาคะว่าเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะเวลาอ่าอันนี้ง่ายๆก็คือมีเพื่อนที่ไปปฏิบัติสมาธิที่วัดป่าดอนไห่โศกด้วยกันเนี่ยเจ้าค่ะก็จะชอบกลับมาบ่นนะเจ้าคะบอกว่าเนี่ยพออยู่ที่วัดนี่จิตจะสงบมากเลยซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเนีเจ้าคะโยมไปอยู่ที่วัดนี่ก็จะจิตสงบมากเลย แต่พอมาที่บ้านเนี่ยเวลาเราทําสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้ลึกไม่ได้นิ่งเหมือนอย่างที่อยู่ที่วัดอะเจ้าค่ะแต่สําหรับโยมนิยมก็เข้าใจว่าเออมันมันมันต่างกันน่ะแล้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นโยมคิดอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่เพื่อนคนนี้ก็จะบ่นว่าเนี่ยมันมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบ่นว่าเนี่ยมันไม่เหมือนที่วัดเลยอะไรมาเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้นี่หมายถึงว่าจิตเขาพระอาจารย์ลองวินิจฉัยว่าจิตเป็นยังไงเจ้าค่ะแล้ว เราควรจะวางจิตยอย่างไรเมื่อเรากลับมาอยู่ในเพศคารวาสหรือว่ากลับมาใน ช, ชีวิตประจําวันเนี้เจ้าค่ะคือว่าแ น, น่นอนว่าสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยความสัปายะเนี่ยเป็นความเหมาะสมในการประพฤติการการะทําเนี่ยไม่เหมือนกันเจ้าค่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบ ว, ว่าคุณไปอยู่ตามซ่องโสเภณีหรือว่าที่ที่มันเป็นอค โ, โครจรแล้วจะไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นมันก็ไม่ได้นั่นแหะเจ้าค่ะถ้ะาเราจะเปรียบเทียบตรงข้ามกับอคุณอยู่วัดมีที่ที่ ครูบาอาจารย์เคยแผ่เมตตาจิตไว้อ่ามันก็ทําได้ไม่เหมือนกับที่อื่นแน่ล่ะใช่ไหมเพราะนั้นที่บ้านก็คงจะเป็นลักษณะกลางๆของสองสั่งนี้มันก็มันก็แล้วแต่ตามสถานที่มันก็เกี่ยวด้วยแตทีนี้สิ่งที่เราควรจะต้องเห็นทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้ได้่เห็นความไม่เที่ยงตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะบางทีมันก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดนี้เราเห็นได้ทันทีแล้วก็ที่หนึ่งข้อที่สองแสดงว่าไอ้ตอนที่มันเกิดเนี่ย พอเราไปยึดถือตรงนั้นแล้วเราพอใจยินดีพอเรามีความยินดีพอใจในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเรายินดีพอใจเนี่ยแสดงว่าเราไปเกิดแล้วนะมีชาติแล้วนะแต่ตรงนั้นเป็นภพของเราแล้วนะพอเรา <Okay. S 2> ไม่ได้อีกเนี่ยเราจึงรู้สึกแบบขัดเคืองอืมใช่ค่ะพอเราขัดเคืองตรงนี้อ่าแสดงว่าไอ้ตอนก่อนนั้นคุณมีความเคลื่อนเพลิมเพลอบเนี่ยตันนะเนี่ยตันน่ยเพราะว่า <heures. S 2> ปฏิบัติไปถึงตรงนั้นที่วัดเนี่ยมันตันทำไมตันเพราะเราพอใจตรงนั้น เราพอใจตอนนมันตันแล้วเอากลับมาไม่ได้อีกก็เลยเป็นทุกข์เจ้าค่ะทําไงจนีนี้ก็ต้องตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่ต้องพอใจในเรื่องของสติในการตั้งสติอาไว้บายพอใจในการที่จะกระทําสมาธิให้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่ได้ก็อย่าให้มีความยินร้ายในตรงที่ไม่ได้และอย่าให้มีความยินดีไอ้ตรงที่ได้เพราะถ้ายินดีตรงที่ได้จิตคุณไปสร้างภพทันทีถ้าไป <Okay. S 1> ยินร้ายไอ้ตรงที่ไม่ได้จิตคุณก็ไปสร้างภพทันทีพอจิตไปสร้างภพแล้วปากมันก็จะเริ่มขยับ เด็บ่นให้คนนั้นฟังเด็ <c oughs> กเขาบ่นให้คนนี้ฟังเด็ก <c oughs> นะก็เขียนบนอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆจ่เดี๋ยวหรือบางทีถึงขนาดว่าออกมาทางกายนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นผลของจิตนั่นเองที่ไปมีความยินดีในสิ่งที่เป็นภาษาที่ได้ความยินดีได้นะซึ่งในที่นี้เราพูดถึงสมาธิเลยพูดถึงอุเบกขาเลยนะอันนี้มันทําให้เกิดความยินดีพอใจในอุเบกขาในสมาธินั้นได้นะซึ่ง <c oughs> ถ้าเรายินดีตรงนั้นพุ้อนะเป็นพพเป็นชาติเกิดขึ้นมาทันที เนีเป็นทุกทันทีเราขุดเหวให้ตัวเองตกลงไปแล้วขุดหลุมให้ ต, ตัวเองแล้วนี่ยมันตันอยู่ตรงนั้นอ้าวถ้าเราไม่ได้พราะเราไม่ได้เราก็ไปยินได้ในสิ่งที่ไม่ได้อ่าก็แสดงว่าคุณก็ขุดหลุมให้ตัวเองอีตรงนี้เหมือนกันนะขุดสองหลุมมันก็ตกอยู่สองหลุมนี่แหละนะมาว่าก็ตกลุมหนึ่งกลับบ้านก็ตกอีหลุมหนึ่งแล้วมันจะไปพลจากตุวนึงไงนี่มันตันจนะมันตันเราก็ต้องตั้งสติใหม่นะไม่ให้ยินดี ่ไม่ให้ยินดีอะไรไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในการปฏิบัติต้องยินดีในการปฏิบัติแต่ไม่ยินดีในความสุขที่เกิดขึ้นอันนี้แต่ว่าคุณไม่ยินดีตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะมันคนละประเด็นกันสับมันจะสับสนนิดนึงแต่ว่าในภาษาบาลีแล้วมันจะชัดเจนว่าการไม่ยินดีในความสุขตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งความพอใจในการทำมรรคแปเราตั้งความพอใจในการทำมรรคแปแต่ถ้ามีผลเป็นความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไม่ยินดีในสิ่งนั้นการไม่ยินดีไม่ใช่เกลียดนะ ไม่ใช่เกลียดแต่ไม่ยินดีไม่ยินดีเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงของมันคือไม่ไปยึดติดตรงนั้นนะเจ้าคะถูกต้องเราจะไม่ยึดติดได้ไงก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของมันเจ้าค่ะเอาคุณจะเห็นความไม่เที่ยงได้ไงก็ต้องเห็นว่ามันเป็นของที่ปรุงแต่งกันมาอ่ามันเป็นปรุงแต่งตรงไหนก็เมื่อก่อนมันมีไหมล่ะก็ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยของมันจึงเกิดขึ้นเหตุปัจจัยมาจากไหนก็มาร์กแปดนั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยโอ้มันเป็นเหตุปัจจัยมันเเเป็นนขอองงไไไไมมม่่่ทียยย้้จจะะะึึดดาารั มันยึดไม่ได้มันยินดีไม่ได้ก็จึงจะอย่าไปยินดีในสิ่งนั้นพอไม่ยินดีก็ไม่ขุดเหวให้ตัวเองพอไม่ขุดเหวให้ตัวเองสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นภพของเราพอไม่เป็นภพเราก็ไม่ได้ตกลงไปตรงนั้นแต่ไม่ได้ตกไปเป็นความเกิดความแก่ความตายความโศกพอไม่ได้กลับมาที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่ยินร้ายสิแต่เพราะอะไรทำไมถึงไม่ยินร้ายก็เพราะเหตุปัจจัยมันไม่มีเหตุปัจจัยแห่งความที่จะเกิดขึ้นมันไม่มีมันก็ไม่เกิดสิไม่ไปเกิดแล้วจะไปยินร้ายหา พอมันมีเหตุปัจจัยไม่ต้องยินร้ายแล้วก็ไม่เป็นภพทีนี้พอไม่เป็นภพเราก็ไม่ต้องไปตกลงในความที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดความโศกความร่รํารรำพันความทุกข์กายความทุกขัใความข้าแกงใจไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ทุกข์สิจะมีหรือจะไม่มีเราก็ไม่ทุกข <Okay. S 1> ์แต่เราทำอะไรเราทำตามมรรคแปดเราจเจริญตามตามศีล ส, สมาธิปัญญาความละเอียดมันเป็นไปทางนี้คุณตัใจเจ้าค <Okay. S 1> ่ะ ชาชุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปโ น, โนสักษาชี้แจงมานี่อ่าท่านคิดว่ากระจางทุกอย่างเลยดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับท่านที่อ่าตามรับฟังรายการในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าอาจจะตั้งจิตไว้ในทางที่อาจจะผิดไปนิดนึงคิดผิดเนี่ยก็คิดใหม่ แล้วก็ปฏิบัติไปตามทางที่พระอาจารย์พระมหาไพาบูตรอภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แนะไว้ตามคำที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ซึ่งเป็นทางที่ถูกที่ควร อริยมาร์กนี้เป็นทางที่จะนําเราไปสู่วิมุตต์ก็คือนิพพานได้ในที่สุดนะคะค่ะท่านผู้ฟังเข้าเวลาในรายการธรรมาราปุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดลงอีกครั้งแล้วนะคะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกล่าวขอพระคุณและกล่าวนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิพพากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่ารอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน เพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูุญอภิปุโนะได้พูดคุยในรายการธรรมรัปรณ์ให้ธรรมะดีๆแก่ท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของการสากฉานั้นก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งดิฉันจะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะกลาบขอพระคุณและกลาบน้อมสักการะาเจ้าค่ะพระอาจารยาา์เจ้าค่ะเจ้าบ้านสาธุเจ้าค่ะ